3. โอวาดวักหมวดว่าด้วยโอวาดหนึ่งโอวาดศิขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเรื่องพระชพะัพคี144สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายสั่งสอนพวกภิกษุณีย่อมได้จีวรบินทบาท เสนาสนะและคิลานปป จ, จัยเพสัชบริขารทีนั้นพวกภิกษุชาวพุปปีได้มีการปรึกษาการดังนี้ว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ภิกษุผู้ปเป็นเทราทั้งหลายสั่งสอนพวกภิกษุณีย่อมได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปปจจัยเพสัชบริขารท่านทั้งหลายมาเถิดแม้พวกเราก็จะสั่งสอนภิกษุณีบ้าง ครั้นแล้วพวกภิกษุชาวบัปปคีจึงได้เข้าไปหาพวกภิกษุณีแล้วได้กล่าวดังนี้ว่ามาเถิดน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจงเข้าไปหาพวกอัตมาบ้างพวกอัตมาจักสั่งสอนให้บ้างหลังจากนั้นพวกภิกษุณีเหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาพวกภิกษุชาวบัปปคีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้พวกภิกษุชาบัปปคีแล้วนั่งหน้าที่สมควรที่นั้น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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพวกพิสุณีผู้ยืนในที่สมควรเหล่านั้นดังนี้ว่าการสั่งสอนพวกพิกษุณีสำริดผลดีหรือพวกภิกษุณีกราบทูลว่าการสั่งสอนจะสำริดผลได้แต่ที่ไหนกันพระพุทธเจา้าข่าพระคุณเจ้าฉาวพักีแสดงธรรมีกถาเพียงเล็กน้อยแล้วให้วันเวลาผ่านไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเดริชันกถาแล้วส่งให้กลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหันแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมีกถาพิกษุณีเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานหันแกล้วกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณจากไป